ขอกราบบูชาประธานาธิไตขอกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกรวะพระอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์ฉัตดชัยขอกราบกรวะเพื่อนสาธรมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน ก็เป็นกิจวัตรนะสำหรับพวกเราที่มาอยู่วัดป่าสุกโตนะหลังจากที่เราได้ไหว้พระสุดมนต์นะก็มาฟังธรรมกั น, นซึ่งในส่วนของตัวกระผมเนตรมาเองนะก็ได้อาศัยบรรยากาศแบบนี้แหละนะที่ทำให้เราได้ มาทบทวนนะในสิ่งที่เราได้ฝึกหัดนะโดยเฉพาะยังยิ่งการเจริญสตนะิตามแนวการเคลื่อนไหวนะของหลวงพ่อเทียนการฝึกโดยวิธีนี้เนะี่ยเราจะไม่ได้เน้นให้ส ง, งบนิ่งเหมือนแนวทั่วๆไป การเจริญสตินั้นจุดมุ่งหมายก็คือให้เราตื่นตัวให้สติคือความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันทำงานได้ฉับไวขึ้นพนันผู้ที่ฝึกเจริญสติตามแนวนี้หรือจริงๆก็คือเป็นการเรียนรู้ความจริงของกายของใจ นะที่เขาแสดงตัวออกมาให้เราได้เห็นนะได้รับรู้แต่ก่อนเนี่ยนะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้มาเรียนรู้เราก็จะหลงนะหรือว่าเผลอนะเข้าไปในอาการของกายของใจนะอย่างเช่นความง่วงนะแต่ก่อนพอเวลาเราง่วง นะเราก็จะง่วงแล้วก็จะหนักแล้วก็จะไปนอนนะแต่เมื่อเรามาฝึกมาฝืนนะมาเรียนรูนะ้เราก็จะเห็นว่าความง่วงก็เป็นอาการที่มันจะแสดงออกมานะที่เราจะไม่ทำตามเขาก็ได้นะที่เราจะไม่ไม่ต้องนอนก็ได้นะในช่วงเวลากลางวันหรืออย่างเช่นเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยนะเมื่อเรานั่งอยู่เนี้ย เราก็รับรู้นะความปวดความเมื่อยแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกนะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากนะเป็นเรื่องที่ทรมานนะเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้นะแล้วเราก็ไปอยอมแพนะ้ยอมแพ้กับอาการเหล่านี้แทนที่เราจะมาดูเขามาเรียนรู้เขามาเห็นเขา เราก็หลงเข้าไปในอาการเหล่านั้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญนะในการที่เราจะเห็นธรรมะแต่ก่อนตัวผมเนื้อมาเองก็คิดว่าการเห็นธรรมะก็คือการเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสุขนะเรื่องของความสงบนะเรื่องของปิตินะ เรื่องของความวิเศษอะไรต่างๆเซงอันะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่เมื่อเราได้มาฝึกเจริญสติเนี่ยเราก็จะพบว่าการเห็นธรรมะที่แท้จริงก็คือการเห็นอาการต่างๆของกายของใจที่มันเกิดขึ้นและเราก็เห็นมันเราไม่เข้าไปเป็นกับมันนะไม่ว่าจะเป็นความง่วงเงาเผลอนความปวดความเมื่อย ความฟุ้งซ่านนะความเบื่อหน่ายนะหรือมาแต่อารมณ์ดีๆเช่นปลอดโปรง่งโล่งนะความรู้สึกซาบซ่านอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะในขณะที่เราฝึกปฏิบัตนะิจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ดีนะเป็นสิ่งที่เขาจะปรากฏให้เราได้เห็นนี่ก็คือการเห็นความจรงิงนะเห็นธรรมะ นะเพรา ะ, ะนั้นการเห็นธรรมะที่แท้จริงเราเห็นสิ่งเหราเนี้ยที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันจะเห็นจากของหยาบหยาบก่อนนะก็คือกายที่เคลื่อนไหวนะแต่ก่อนเนี้ยเมื่อเราไม่ได้ฝึกนะเราก็จะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สนใจในสิ่งที่มันอยู่นอกตัวนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเราไม่ได้สนใจ นะเพราะว่าชีวิตส่วนใหญนะ่ในโลกปัจจุบันนี้นะมันก็มีสิ่งเรานะที่ชวนให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินนะซึ่งก็ทำให้เราบางทีก็ตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ต, ตกอยู่ในความคิดต่างๆนะโดยที่เราไม่รู้ตัวอันะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะกับตัวของ ผมเรียกตามาเองนะซึ่งก็คงจะไม่แตกต่างจากพวกเราเท่าไหรนะักการเห็นอันแรกเนี่ยเป็นการเห็นกายเคลื่อนไหวนะรูปแบบที่เราทํากันเนี่ยยกมายกมือเดินจงกรมเนี่ยนะก็มีจุดประสงค์สาคัญก็คือให้เรารู้กายที่เคลื่อนไหวเมื่อเรารู้กายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนะจนมันเกิดความเคยชินเกิดความชํานาญเนี่ยนะมันก็จะเป็นความะละเอียด นะของกายนะเช่นความเจ็บความปวดนะความพอใจความไม่พอใจที่เกิดจากการเจ็บการปวดนะความสุขความทุกขนะ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าสติของเราเริ่มเห็นชัดขึ้นนะจากการที่เราฝึกเนะมื่อเห็นชัดขึ้นเข้าไปแล้วก็ดูไปบ่อยๆนะเอาเอาความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐาน นะตรงนี้อะ่าไปทิ้งนะนี่เป็นฐานสาคัญนะที่เราจะเป็นเป็นหลักเป็นฐานให้กับตัวเราเองที่เราจะไปดูนะหรือไปเห็นนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะออโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเจอสิ่งที่เราเรียกว่านิวรณ์นะคือคือามง่วงเหงานอนความฟุ้งซ่านนะความเบื่อความสงสัย นะความรู้สึกไม่ไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องเรียนรู้นะเพื่ออะไรเกิดขึ้นให้กลับมารู้สึกตัวนะวิธีการที่จะทำให้การเจริญสติ ข, ของเราก้าวหน้าเนี่ยเราต้องกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนะี่ยก็จะทิ้งไออาการเหล่านั้นไป นะไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วทําได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเห็นทันความคิดนะตัวความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เออมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะหรือแม้แต่ความคิดที่ตั้งใจคิดนะในระหว่างที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจคิดจะทํานู่นทานี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันทิ้งไปให้หมดเลยนะทิ้งไปทั้งระบบเลยความคิด นะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนั้นมีความชัดเจนนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเห็นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะภายในกายภายในใจของเราได้ชัดเจนนะโดยเฉพาะไอความคิดปรุงแต่งเนี่ยโอ้โหมันมีหลายรูปแบบทั้งความคิดดีความคิดไม่ดีนะทั้งความคิดที่ เรื่องเก่าๆนะที่เราจำได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะย้อนมานะบางคนเนี่ยฝึกไปเนี่ยก็จะไปเห็นเรื่องเก่าๆนะทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีนะที่เราฝังใจไว้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยมันก็จะย้อนมาให้เราดูเราก็มีหน้าที่ที่จะดูนะแต่อย่าเข้าไปเป็นกับมันนะการดูโดยไม่เข้าไปเป็นนั้นก็คือ กลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญนะที่จะทำให้เราไม่พัดหลงนะไปในอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดนะตัวนี้จะเป็นฐานสำคัญเมืนะ่อเราเห็นสิ่งที่เป็นความคิดได้บ่อยๆนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะจากการที่ตาเปล่นรูปพอใจไม่พอใจเสียงที่เราได้ยิน มากระทบกับหูเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดการปรุงแต่งต่างๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะมันจเจนกลไกนะของการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปสัมผัสกับโลกนะคำว่าโลกในที่นี้ก็มีคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้แต่ใจธรรมารมที่เรานึกคิดขึ้นมานะเนี่ยก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ จะเกิดขึ้นที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและตรงนี้แหละเป็นธรรมะที่เราจะเรียนรู้ที่จะเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็ น, นาการเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นก็คือกลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจึงเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เราได้เห็นความจรงิงที่ปรากฏขึ้นและเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลย นะความง่วงหลับนอนมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันเกิดเดี๋ยวมันก็หายแล้วเดี๋ยวมันหายมันก็มาใหม่อีกมันไ ป, ไปมามาอยู่อย่างนี้แหละนะเราก็เห็นมันนะเป็นเหมือนภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนาะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเข้าไปเราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันได้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงนะของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะไปยึดไปถือได้นะตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดการปล่อยวางนะเพราะเราเห็นความจริงนะว่าทุกสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะยึดถือได้อันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราทำความรู้สึกตัวนี้เอง ปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการเราเห็นความจริงไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดจินตนาการเพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะนะอย่าไปคิดรู้นะเรียกว่าสัมผัสรู้คิดรู้มันก็จินตนาการไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวบางคนก็จะจำไปแล้วก็ไปสังเกตดูอ๋อมันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหม อันนั้นมันคิดละนะเพราะะฉนั้นถ้ายังสงสัยอยู่ก็ทิ้งมันกันนะแมนะ้แต่ความสงสัยก็ทิ้งมันกันกลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตัวความรู้สึกตัวเนี่ยแหละนะจะเป็นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยมีหลักนะในการที่เราจะดูอาการต่างๆดูปรากฏการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะมันจะเห็นตั้งแต่ของที่หยาบๆนะแล้วก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะ การที่เราเห็นของละเอียดขึ้นเพราะว่าความรู้สึกตัวของเรามันมันฉับไวขึ้นมันละเอียดขึ้นนะที่เรายังไม่เห็นของละเอียดเพราะว่าสติหรือความรู้สึกตัวของเรานั้นยังไม่ละเอียดพอนะจริงจริงเนี่ยอาการต่างๆปรากฏการต่างๆเขาแสดงตัวของเขาอยู่แล้วคุณเป็นของเขาอย่างนั้นมานะทเราเรียกที่เราเรียกว่าธรรมาชาตินั่นเองนะมันปรากฏของมันอยู่ ป น, นัปพุธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยมีมาก่อนนะพเพียงแต่ท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราก็ไม่เข้าไปยึดไปถือนะเราก็ดูเป็นตามธรรมชาตินะเกิดการปล่อยวางการปล่อยวางตรงนี้แหละนะที่ทําให้เราคืนสู่ความเป็นปกติใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้ว ยังขณะที่เรานั่งอยู่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่งุก๊กง่วงนาเราไม่ฟุ้งซ่านนาเราก็จะเห็นเลยว่าใจของเราเป็นปกติโดยพื้นฐานคนเราจะมีใจเป็นปกติแต่ที่มันไม่ปกติเพราะเราเผลอเผลอลืมตัวตกไปอยู่ในอารมณ์ตกไปอยู่ในความคิดนะเพราะเราลืมตัวไปช่วขณะหนึ่งเพราะนั้นการที่เรามาทำความรู้สึกตัว นะบ่อยๆ อ, อย่างนี้เนี่ยนะก็จะเป็นการคืนสู่ความเป็นปกตินะจริงๆเราไม่ได้ไปสร้างนะความเป็นปกติมันมีอยู่แล้วแต่ที่เราคืนสู่ความเป็นปกตินั้นก็คือกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะที่มีอยู่แล้วนะที่เราพัดหลงลืมไปนะเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งข้างนอกมากนะ แล้วก็เกิดความไม่สมดุลในาภายใ น, นอย่าง เ, าเราจเจนไดน้าจากตัวเราเองนาการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเรา้าอย่างโลกโลกเนี่ยเราก็จะไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากบางทีก็เิ่มตัวไปเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาต้องยอมรับเลยว่าแต่ก่อนตัวตุนนิธมาเองก็เป็นอย่างนั้น นะเรามีความเชื่อแล้วก็มีความคิดว่าชีวิตของเราต้องมีความสุขนะเราก็สแสวงหาความสุขนะจากวัตถุภายนอกนะก็บางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมื่อใดก็ตามที่เราหลงสุขก็อย่าลืมว่าทุกมันเรื่องตามมาเพราะความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมันสุขตือชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวพอสุขมันลดลงมันก็ทุกข์ขึ้นมา นะชีวิตแต่ก่อนที่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็ย่อสุขสุขทุกทุกนะแต่เมื่อเรามาฝึกแล้วเราก็รู้ว่าโอ๊้มันมีอีกแง่นึงนี่เป็นชีวิตที่เป็นปกติอะชีวิตที่เป็นปกตินะเป็นชีวิตที่เห็นสุขเห็นทุกนะไม่ได้สุขไม่ได้ทุกแต่แต่ก็มีนะมีสุขมีทุกแต่เราไม่ได้เข้าไปเป็นมันเห็นมันอยู่นะ แล้วเราก็กลับมาสู่ฐานของความเป็นปกตินะเส้นตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจว่าไอ้ใจปกติมันคือไอ้ใจเฉยๆไอ้ชินชาวิชาเย็นอะไรไปซึ่งจริงๆไม่ใช่นะสมัยก่อนที่กระผมธนมาเองได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็เคยถามนะเคยถามหลงพ่อคำเกียนว่า ออย่างนี้ถ้าคนไม่สุขไม่ทุกข์มันก็กลายเป็นคนเย็นชาดิหลวงพ่อบ๊อบบอกไม่ใช่นะคนเย็นชานั้นคือเขาไม่รู้ตัวนะแต่อันนี้เรารู้ตัวเราเป็นปกตินะมีความรู้ตัวคนที่มีใจปกติเนี่ยนะทำงานก็จะไม่ผิดพลาดนะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆไปตามหน้าที่นาะที่เห็นเหมาะควรแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันก็จะมาไว นะมันจะมีปฏิพานมีไหวพริบในการที่จะทำการทำงานความผิดพลาดก็จะน้อยนะความสุขนะที่เป็นความเป็นปกติของใจเนะี่ยมันก็จะมีอยูนะ่ซึ่งเป็นความสุขที่เป็นสุขที่เย็นๆนะไม่สุกร้อนเหมือนอย่างกับที่เราอยู่ในโลกนะสุกร้อนก็คือต้องวิ่งหานะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ นะแต่ความสุข เ, นเนย็นเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะในตัวเรานะเมื่อเรากลับคืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งตรงนีน้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะหลงลืมเนะมื่อเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, ยเราจะได้สัมผัสต ร, ตรงนี้เนะมื่อเรามีจิตที่เป็นปกตินะเราก็จะทํางานตามหน้าที่เราก็จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็น คุณงามความดีนะตรงนี้แหละเป็นจุดกำเนิดนะของสิ่งที่จะเป็นการทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะสันงบสุขในใจเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสันงบสุขในครอบครัวในสังคมและก็ในโลกเดี๋ยวนี้เราเรียกตรองหาสันติภาพกันนะออกกฎหมายออกจริยธรรมประเพณีต่างๆเพื่อมาควบคุมให้คน ทำอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ดีนะมันก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่แน่นอนนะถ้าเรามีสันติสุขในใจเนี่ยนะมันจะสร้างสันติภาพได้มากกว่านะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่สำคัญในะในการที่จะสร้างสันติภาพให้กับสังคมหรือแก่โลกได้นะตรงนี้นะ่ยเพราะสิ่งที่เราได้มาทำกันเนะีนะ่ยนาถือว่าเป็นการ ช่วยกันนะในการที่ทำที่จะทาให้เกิดสันติภาพนะในในสังคมในโลกนะทำให้สังคมร่มเย็นนะโลกร่มเย็นนะด้วยสันติสุขในใจนั้นเองนะซึ่งก็เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้นะกายใจของเรานะอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นเครื่องมือนะที่เราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติ เปิดสันีิสุขในใจนะแล้วสันีิสุขในใจเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสันติภาพนะในสังคมและในโลกไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคนในยุคปัจจุบันแล้วก็เออเป็นสิ่งที่น่าจะต้องทำนะให้เกิดขึ้นในตัวเราการฝึกเจริญสติก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะให้สงบนิ่งไม่รับรู้อะไร นะหลายคนยังจะเข้าใจว่าการมาจเจริญสตินั้นก็มาฝึกให้มันสงบสงบนิ่งๆนะไม่รับรู้อะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญญานะมันไม่เกิดปัญญานะมันก็ได้แต่สงบชั่วครัง้งชั่วคราวมีความสุขขณะที่เรานั่งอยู่แต่พอเราเตื่นมามันก็กระทบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็ไม่สงบนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ควรดู นะผลการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเวลาที่มีอยู่คุณจะใช้คุ้มค่านะกับการที่เรามาทําความรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบมานะในรูปแบบก็คือการเดินจงกรมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือกิจวัตรประจําวันนะพยายาม รู้สึกตัวนะกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้บ่อยๆผลมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจองทางอย่างต่อเ น, นื่องนะไม่ทำเฉพาะในรูปแบบพอออกจากฐานจงกรมไปแล้วก็ไปพูดไปคุยกันนะไปทำนัน่นทำนี่นะโดยไม่รู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะถ้าเรามาอยู่วัดป่าสุกโตแล้ว เราไม่ได้ทําเรื่องนีนะ้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่นี่เอื้อประโยชน์ให้กับการที่เราจะมารู้สึกตัวหรืมาเจริญความรู้สึกตัวนะให้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะจนเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวนะซึ่งก็จะเป็นนิสัยใหม่นะสําหรับบางคนนะที่ไม่คุ้นเคยหรือนะคนที่เคยทําอะไรไปตามอารมณ์ ให้ชาวฟังหลวงพ่อคำเขียนที่เขพูดไว้ดีนะของบางอย่างที่เราก็ต้องละของบางอย่างเราก็บรรเทาเรื่องแต่ความทุกข์ทางกายนะอย่างกรณีการซุปปุ่ยเนี่ยต้องละนะไปบรรเทาไม่ได้นะบางคนบอกขอสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้นะเรียกว่าต้องใจแข็งจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญานะ บางทีเราฝึกจเจริญสติไปแต่ก็ยังอดเบรียไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะที่จะฝืนมันอดมันบางทีก็ต้องอดต้องฝืนเหมือนกันนะเบรียนะหรือการทูดการคุยนะ น, นี่เป็นสิ่งที่เออควรจะได้พิจารณาเหมือนกันระยะหลังนี้เท่าที่สังเกตคนที่เข้ามาในวัดป่าสุกโตนี้ก็มีกันหลายรูปแบบนะบางคนก็เข้ามาเพียงเพื่อ ต้องการหาความสงบีเงียบนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าประโยชน์อาจจะน้อย ถ, ถ้าเราไม่ได้มาฝึกเจริญสตินะที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะบางคนก็มาใส่บรรยากาศนะในการที่ท่องสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเหมือนกันนะ <c oughs> การไปสวดมนต์แล้วบางทีมันไปลบกคมคนอื่นหรือเปล่า ตรนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันนะเพราะปกติที่วัดป่าสุกุโตนี้เราจะไม่ได้เน้นนะเรื่องของการที่จะต้องมาท่องมนต์สวดมนต์อะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาเหมือนกันว่าสถานที่นี้เนี่ยนะเป็นสถานที่ที่มุ่งหมายนะที่จะให้เราได้มาเจริญสตินะมากกว่าที่จะมาทําสิ่งที่ เป็นเรื่องอภิมหารความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนั้นนะหรือเป็นที่ที่หลบความจ้าแจความสงบนะเพื่อที่จะมาพักผ่อนในะตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เนะี่ยไม่ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะมาพักร้อนนะเป็นสถานที่ที่จะให้พวกเรามาฝึกตัวเราเองนะในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจ นะเพื่อที่จะให้พร้อมเนะมื่อเราออกไปสู่โลกนะไปเผปชิญกับโลกเพราะฉะนั้นบางทีจะมาว่าคดเล่นเล่นเหมือนกันนะวะัดป่าสกเตอร์นี่เหมือนค่ายมวยอะ่นะค่ายมวยที่เรามาฝึกซ้อมที่จะเผชิญกับอารมณ์ต่างๆนะความคิดต่างๆเนะมื่อเรามาฝึกมาซ้อมแล้วเราก็ออกไปสู่โลกนะไปเผชิญกับอารมณ์กับความคิดต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ย อถ้าเราได้ฝึกเจริญสติเนี่ยมันจะได้เจอความจริงและเมื่อเราออกไปสู่โลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะมันจะต่างจากการที่เรามานั่งนิ่ ง, งสงบอินสงบนิ่งซึ่งมันก็ได้ความสุขชั่วคราวอะ่ะแต่พอออกไปเผชิญโลกเราก็ยังยังยังยังทุกอยู่นะซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันสาหรับบางคนนะที่มาใช้สถานที่นี้ แล้วไม่ได้ฝึกที่จะเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะไปกดคมมันไปปิดมันให้มันนิ่งๆให้มันสงบซึ่งตรงนั้นนี่เอ่อเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็เท่าที่สังเกตนะจากการได้ได้ดูได้เห็นได้ยินนะจากผู้ที่มาใช้ประโยชน์จากวัดป่าสกโตที่นม่ถือว่าอิสระมากนะเปิดให้ ใครก็ได้เข้ามานะแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยได้มีกฎเกณฑ์อะไรชัดเจนซึ่งบางคนเข้ามาก็ได้ประโยชน์ไปนะบางคนก็เข้ามาก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยนะเพราะว่า เ, เราไม่รู้ว่าที่นี่จริงๆเขาทําเพื่ออะไรนะหรือว่าอาจจะเป็นความเคยชินของเรานะเราก็ทำไปตามความเคยชินของเรานะไม่ได้ดูว่าที่นี่นั้น อ, อ ทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะตรงนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังเกตนะเห็นแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะผู้ที่เข้ามาใช้วัดป่าสุกโตในะในการที่เราจะมาเจริญสตินะอย่าไปมุ่งหมายเรื่องอื่นนะก็จะได้ประโยชน์นะใช้เวลาทุกนาทีที่นีคุ้มค่านะกับการที่เราจะมาเจริญสติ นะเห็นความจริงของชีวิตนะแล้วก็นาจิตนาใจเขนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายนะของการที่มาวัดป่าสุกโตแห่งนี้กนะ็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้านงะมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ด้วยชี้แ น, นะและก็ตักเตือนนะตัวผมนี่จะมาเองก็พร้อมน้อมรับ นะในสิ่งที่อาจจะพูดไปแล้วอาจจะผิดพลาดนะหรืออาจจะกระทบกระเทือนใจใครไปบ้างนะแต่ก็มีความตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนนะชักชวนให้เราได้มาทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีค่านะของชีวิตนะในการที่มาวัดป่าสุกตัวแห่งนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ในทายที่สุดนี้นะครับก็ขอ อรัตนาคุณภระีรัตนไตรนะซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเรานะก็คือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์นะความเพียรพยายามของทุกท่า น, นในการที่จะเจริญสตินะจงเป็นพละวะปัใจจัยให้ทุกท่านนะได้เข้าถึงความเป็นปกตินะของกายของใจนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของการมาเรียนรู้การเจริญสติ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินเจริญพร